มาวัดเรามาเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัตินะมาวัดมาทำบุญทำทานอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พอมันไม่พอสําหรับการพ้นทุกข์ในปัจจุบันอย่างเราไปทำบุญทำทานทำแล้วดีไหมก็สบายใจดีแต่มันไม่พ้นจากทุก ไปสร้างเจดีสร้างนวนสร้างนี่นะถาว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่พ้นจากทุกศา ส, สนาพูดไม่ได้มีแค่นั้นหรือไปวัดจะไปนั่งสมาธิดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ไม่พ้นทุกข์อีกไ้นั่งสมาธิก็สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเราไปทำบุญต่างๆก็สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ ยังตราบใดที่เรายังเข้าไม่ถึงแก่นของพระพุทธศาสนานะเราได้แต่ผิวผิวเปลือกเปลือกก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีเลยแต่ไม่พ้นทุกข์หรอกพวกเราชาวพุทธนะเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเราชีวิตเราเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปหรือหลอกตัวเอง ไปทำอะไรต่ออะไรขึ้นมานะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทำไมจะต้องวนเวียนอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าประทานธรรมะนะที่จะทําให้เราสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราที่นี่เดี๋ยวนี้นะที่นี่คือในชาตินี้แหละในเดี๋ยวนี้เลยในปัจจุบันถ้าเรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราลงมือปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนให้สมควรแก่ทำอัแรกก็รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆทําไปอย่างทําอย่างไรจะทาเพื่ออะไรจะทําทอย่างไรต้องรู้ก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ทำคือทําเต็มความสามารถของเราเราก็จะได้รับผลของธรรมะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับที่พระพุทธเจ้าอุสสาตรัสสรูม้มา รำพังถ้าศาสนาพุทธมีแต่การทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยศาสนาอื่นก็มีไม่จำเป็นต้องอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรอกอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีงเขาเรียกว่าสการดนะคนที่มีฐานะดีอะไรเงี้ยต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสังคมแล้วก็เอาไปทำประโยชน์กับส่วนรวม เขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีการทำสมาธิอย่างเขาทำละหมาดคิดถึงพระเจ้าของเขาวันละห้ารอบก็คือทำสมาธิห้าครั้งถ้าเทียบกับของเราก็คือเทวตานุสติแต่ว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันไ ด, ได้ได้สมาธิทานเขาก็มีสมาธิเขาก็มีศีลเขาก็มีแบบของเขา ศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันมีทำทานถือศีลทำสมาธินะก็มีพวกคริสไ ป, ปร้องเพลงนะสรรเสริญพระเจ้าสบายใจได้สมาธิขึนะ้นมาศาสนาต่างๆเนี่ยนะมีลูกประคำมีอะไรเขาก็บริกรรมมนะมีสมาธินะพื้นๆเหมือนกันหมดอนฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญญาศัสรู้แท้ๆของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราเข้าไม่ถึง น, น่าเสียดายมากเลย โอกาสที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆ ย, ยากมากเลยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์หนึ่งถ้าเราไม่ภาวนานเราเนี่นึกไม่ออกมันยากไงถ้าเราภาวนานแล้วเรารู้ว่ายากจริงขนาดเรารู้ทางแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกทางให้เราแล้วนะยังทําไม่ค่อยได้เลยนะร้อยคนพันคนจะได้ธรรมะไม่กี่คนนะงั้นโอกาสที่ว่าจะคนพบด้วยตัวเองน มีน้อยน้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆจะเกิดสักวงหนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าศัสรู้ขึ้นมาแล้วนีการดํารงไว้ซึ่งศาสนาเนี่ยก็เป็นของยากอีกพระพุทธเจ้าจํานวนมากเลยที่ท่านออกมาประกาศธรรมะพอท่านปรินิพานแล้วนีสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้นิพานไปหรือตายไปหรือมรณภาพไปแล้วนี่ย ไม่มีใครสืบต่อศาสนาและศาสนาก็สูญไปอยู่ได้เจเนอเรชันเดียวสาวกมีอยู่หนึ่งเจเนอเรชันคือเจเนอเรชันที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีพระสีขีพระเวสสภูนะพระวิปัสสีเมื่อ91กับก่อนแล้วก็เว้นช่วงมาตั้งนานนะมาถึงพระสีขีพระเวสสภูเมื่อสามสกับก่อน3พระองค์นี้พอปรินิพานแล้วสาวกที่ท่านสอนไว้ นิพพานไป pay, มรณภาพไปตายไปหมดศาสนาหมดแล้วไม่มีการสืบต่อแต่ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยส evet. ืบ <precisamente> ต่อมาได้2000กว่า <Kell> ปี 2,600 ปีสืบทอดมาเทียบกับเวลาที่ไม่มีศาสนาพุทธเทียบกันไม่ได้เลยเวลาที่มีกับเวลาที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลย เวลาส่วนใหญ่ในโลกนี้ในวัฏฏะนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้างั้นยากมากนะที่เราจะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้างั้นเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรม ท, ทีไรนะสิ่งที่พวกเราคิดก็คือนั่งสมาธิทําไมเราไม่คิดเรื่องเจริญปัญญาเราไม่คุ้นเคยกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราคุ้นเคยกับคําสอนทั่วๆไป นั่งสมาธิทำทานถือศีลยมันมีทั่วๆไปไม่เคยขาดสายเลยแต่การเจริญปัญญาเนี่ยพอไม่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกที่สืบทอดไม่มีแล้วเนี่ยก็ขาดศูนย์ไปในเวลาอันสั้นนิดเดียวเพราะพวกเราจะต้องมาเรียนให้มากนะถึงวิธีการของการเจริญปัญญาถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราก็คือเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงนะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราก็ได้แต่เปลือกเปือก ทำฐานถือศีลสร้างโน้นสร้างนี้นะแข่งกันสร้างสร้างแล้ววันหนึ่งก็โลกร้างไปอย่างทุกวันนี้เรามีวัดตั้งสามหมื่นแห่งร้างไปเยอะแล้วนะหาพระอยู่ไม่ได้แนละ้วบางแห่งบางหมู่บ้านนะถึงขนาดต้องจ้างคนเฒ่าคนแก่กเกษียณแล้วไม่มีอะไรทํานะไม่มีลูกหลานเลี้ยงนะให้ไปปวดนะไปเฝ้าวัดไหมอย่างน้อยยังมีพระเดินไปเดินมาให้เขาเห็นชื่นใจบางที่นะ ใจเงินเดือนด้วยซ้าไปก็มีนะแล้วพระก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกเพราะว่าเขาจ้างมาบวชอย่างนก็มีพระที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มีไม่ ม, ม, มีคงหมดไปนานแล้วล่ะพระก็เหลือน้อยลงน้อยลงนะเนรก็แทบจะไม่มีลวเนนมีแต่นเนรฤดูร้อนเนรฤดูฝนเนรฤดูหนาวไม่ค่อยมีบวชแต่ฤดูร้อนแล้วก็สึกไปสมัยก่อนบวชแต่เนนนะครูบาอาจารย์นะ ฝึกฝนมาพอนา ม, มาตั้งแต่เป็นเนนมาเป็นพระก็บวชต่อมาอีกเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวัดเนี่ยหลายสิบปีเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกน้อยลงน้อยลงถ้าไปเห็นอย่างไปอินเดียนะยเห็นเลยศา ส, สนาสถานเนี่ยรกร้างมากมายเหลือเกินไม่มีใครดูแลคนอื่นเขาเหยียบย่ำอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีชาวพุทธที่จะสืบทอด เพรพวกเราเนี่ยจะต้องรักษาต้องศึกษาก่อนศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วลงมือปฏิบัติธ ร, รมให้สมควรแก่ทรหลจากนั้นเราก็จะมีหน้าที่รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังไม่ใช่เอาไว้เพื่อตัวเราเองละเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปที่เขาจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะที่บริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น มากมายนะในตําราบอก 8.4 พันพระธรรมขันธ์ก็นับกันนะครึ่งหนึ่งเป็นอภิธรรมนะแล้วอีกอย่างละครึ่งก็เป็นพระวินัยกับพระสูตรอะไรเงี้แยแยกกันไปนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครนับหรอกว่ามันเท่าไหร่แน่นะ 8.4 ดหมพันเพราะ ว, ว่าเยอะมีเยอะเหมือน500เพราะ ว, ว่าเยอะเหมือนกันถ้าเกิน500ก็ 8.4 0 0มนี่พันี่เป็นมาตราวัดของคนโบราณ เวลาพูดถึงอะไรที่เยอะๆห้าร้อยโจรห้าร้อยโจรอะไรมันจะห้าร้อยคนเป๊ะๆนะมากขึ้นไปก็8ปด0 0สี่พันมากขึ้นไปกว่า น, นั้นก็แสนโกดอัตราเก้ากระโดดนะก้าหน้าถ้าเล็กน้อยก็บอกสามไม่เกินสามอะไรเงี้ยไม่เกินเจนะ็ดอะไรเงี้ยน้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าอันมากมายมหาศาลนะที่ว่า8 4ด0 0ี่พันพระธรรมขันนะี่เยอะแยะไปหมดนะ แต่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยใครจะเข้าใจได้ทำยังไงถึงจะเข้าใจได้ถ้าเราเข้าใจอริยสัจเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเพราะธรรมะ8ป0หมพัระธรรมขันธ์นั้นรวมลงในอริยสัจสีเท่านั้นเองงั้นเรื่องอริยรสัจสี่เนี่ยคือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลย อริยสัจสีการที่เข้าใจอริยสัจสีก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิตราบใดที่มีคนเข้าใจอริยสัจสี่อยู่พระศาสนายังดำรงอยู่ถ้าแค่ว่าคนรักษาศี่ห้าได้อริยสัจสี่หายไปอันนี้าศาสนาอื่นเขาก็ทําได้ไม่แปลกอะไรบางคนเขาเข้มงวดกว่าเราอีกอย่างพวกฮินดูเนื้อสัตว์ก็ไม่กินนะทำอะไรเนี่ยเข้มงวดกว่าเราเยอะเลยนะ งั้นเราต้องเรียนนะแล้วก็ทําความเข้าใจกับอริยสัจสีให้ได้ถ้าเข้าใจอริยาาสัจสี่ก็เข้าใจธรรมะทั้งหมดเลยแต่อาจจะไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่าภาษาวกที่ท่านได้ปฏิสัมพิธาแต่ว่าธรรมะสาหรับความพ้นทุกข์นั้ น, นพอเหลือเฟือเลยถ้าแจ้งอริยาาสัจก็จะพ้นจากวัตฏะอันนี้ได้ถ้าไม่รู้แจ้งอริยาาสัจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด คำหนึ่งพระนนท์ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยใครๆก็บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของยากปฏิจจสมบัติก็คืออริยสัจนั่นแหลนะะเนี่ยพระนนท์เนี่ยท่านก็ไปทูลพระเจ้าบอกว่าใครเนี่ยใครๆเขาบอกปฏิจจสมุปบาทเป็นของยากแต่ปรากฏแก่ข่าพระองค์นะเป็นของตื้นๆเป็นของธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านห้ามบอกว่าพระนนท์อย่าพูดอย่างนั้นนะปฏิจจสมบาทิหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งมากนะ ตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจปฏิจจสมบัตินี่จะไม่พ้นจากวัฏฏะจะไม่พ้นจากกองทุกข์เลยนี่ก็เริ่มมีการเถียงกันทำไมพระนนเห็นว่าปฏิจจสมบัติง่ายพวกหนึ่งก็บอกว่าท่านจีเนสมากฉลาดมากบารมีมากท่านก็เลยรู้สึกว่าง่ายแต่ง่ายด้วยความเข้าใจนะยังไม่ได้ง่ายถึงอกถึงใจเพราะงั้นยังไม่ล้างกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต แต่ง่ายด้วยความเข้าใจของท่านพระท่านจีเนียสมากนีพวกหนึ่งตีความนีม้ยอีกพวกหนตีความของพระนอนไม่รู้ว่าสิเลยว่าง่ายของลึกซึ้งนะถ้าเข้าไม่ถึงถ้าเลยรู้สึก ง, ง่ายๆเราไม่รู้หรอกว่าคําตอบที่แท้จริงคืออะไรนะไม่มีใครชี้ขาดหดอกอ น, นีนะ้มีตีความกัน2กลุ่มแต่ที่แน่นอนนะอริยสัจเนี่ยเป็นของลึกซึ้งนะอริยสัจเป็นของลึกซึ้งปฏิจจสมุ ป, ปบาทเป็นของลึกซึ้ง แต่ไม่เกินความสามารถที่พวกเราจะเรียนรู้ได้ถ้าเกินความสามารถที่มนุษย์จะเรียนรู้ได้พระอระหันต์จะไม่มีแต่ทำไมพระอระหันต์มีมีตำรายอีกอันพระสูตรอีกบางสูตรก็บอกว่าตราบใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์งั้นการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยกับการเรียนรู้อริยสัจเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันแน่เลยก็มีส่วนที่สัมพันธ์กันแน่ เขาทำสติปัฏฐานไปนะเจวัน7เดือน7ปีจะบรรลุพระอรหันต์ผู้ท่านเจ้าสอนบอกว่าตใดที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยจะไม่บรรลุพระอรหันต์ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกงั้นการจเจริญสติปัฏฐานนถ้าเราทําถูกต้องนะเราจะรู้แจ้งอริยสัจ ท, นะท่านอธิบายตัวอริยสัจเนี่ยเป็นตัวของธรรมะนะแล้วท่านก็สอนหน้าที่ของต่อสัจจะแต่ละข้อนะบอกทุกให้รู้สมูทัยให้ละนะ นิโรธให้ทําให้แจ้งมักทําให้เจริญในท่านสอนอย่างนี้แต่เสร็จแล้วท่านก็มาสอนสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่ท่านย่อยวิธีการปฏิบัติออกมาไปสร้างวิธีการปฏิบัติออกมาเพื่อให้พวกเราทําได้ง่ายขึ้นนะบางคนก็นบอกว่า ส, สติปัฏฐานก็เป็นเรื่องลึกซึง้งพระเจ้าสอนพวกกุรุไม่ได้สอนพวกอื่นเพราะพวกกุรุนี่ฉลาดมาก แต่เอาเข้าจริงนะถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วถ้ารู้หลักของการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานจะไม่ยากเกินไปนะถ้าเจริญได้แล้วเราจะรู้แจ้งอริยสัจถ์ถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์เราจะสลัดความทุกข์เนี่ยออกจากใจของเราในปัจจุบันนี้เลยในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เลยนะงั้นพวกเราก็มาลงมือเจริญสติปัฏฐานกัน สติปัฏฐานนั้นนะมีฐานที่ตั้งของสติมีฐานที่ให้สติระลึกอยู่4ฐานนะคือกายนะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขนะ์จิตตานุปัสสน า, านี่คือจิตจิตที่ประกอบด้วยกุศลบ้างอากุศลบ้างแล้วก็ธรรมานุปัสสนาเป็นการพาให้ดนะูกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรม ย่อลงมาสติปัฏฐานที่มี4ถ้าย่อลงมาเหลือ2ก็คือการมีสติรู้ระลึกรู้ในรูปธรรมการมีสติระลึกรู้นามธรรมานะถ้าระลึกรู้รูปธรรมก็เป็นกายานุ ป, ปัสสนาไประลึกรู้นามธรรมานะก็ะมีตั้งแต่เวทนานุ ป, ปัสสนาจิตตานุ ป, ปัสสนาส่วนธรรมานุ ป, ปัสสนานะี่ยครอบคลุมทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมานะลดย่อลงมาก็แค่รู้รูปธรรมนามธรรมา สติปัฏฐานมีสองขั้นตอนมีสี่ฐานแต่ย่อลงมาก็คือรู้รูรปธรรมนามธรรมนี้เองที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นแรกปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่2ปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดปัญญานะมี2ระดับนะสติปัฏฐานถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ในกายเนืองเนืงจิตใจเราไม่หนีไปที่อื่นได้อะไร สติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันและสิ่งที่ได้มาอีกตัวหนึ่งคือสมาธิตรงที่เรารู้ทันความเคลื่อนไหวของกายอยู่เงี้ยเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจไม่วอกแยกไปที่อื่นใช่ไหมได้ทั้งสติได้ทั้ทงสมาธิเนะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดจริงๆนะท่านสามารถย่อการปฏิบัติลงมาถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วขั้นสุดท้ายจะได้ปัญญา สติสมาธิปัญญาสมบูรณ์แก่รอบอริยามรรคจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นคำสอนที่งดงามมากนะอัศจรรย์มากเลยนะถ้าเข้าใจถ้าได้เรียนได้รู้นะเราจะรู้เราจะรักพระพุทธเจ้านะเทิดทุนท่านที่สุดเลยสุดยอดจริงๆเนะนี่ยธรรมะ 84%00 สพพระธรรมขันธนะ์นั้นท่านย่อลงในอริยสัจนะแล้วท่านสอนวิธีการปฏิบัตินะอยู่ในกรอบที่เรียกว่าสติปัฏฐาน มีตั้งแต่การฝึกให้เกิดสตินะการฝึกให้เกิดสมาธิการฝึกให้เกิดปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์อริมักจเกิดจะรู้แจ้งอริยสัจนะวิธีการนะเบื้องต้นฝึกให้มีสติแทนที่เราจะล่องลอยให้จิตใจเราล่องลอยไปที่อื่นเราคอยมีสติระลึกรูก้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวที่รู้สึกรู้สึกอยู่นี่แหละสติเป็นตัวรู้สึกนะร่างกาย ม, มีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกนะมีความทุกมมข์เกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกมีความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกนี่เรียกว่าเมนานุ ป, ปสัสสนา เราคอยรู้ความรู้สึกสุขทุกขนะ์ในกายในใจใจไม่วอกแวกไปที่อื่นได้สมาธนะิสุขทุกข์ปรากฏขึ้นในกายรู้สึกมีสตินะสุขทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตใจรู้สึกได้เรียกว่ามีสตนะิงั้นเบื้องต้นเนี่ยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธนะิหรือดูจิตก็ได้ดูจิตให้เกิดสติก็ได้ดูจิตให้มีสมาธิขึ้นมาก็ได้งั้นไม่ใช่ว่าพวกดูจิตทาสมาธิไม่เป็นนะ พวกดูจิตเนี่ยทำสมาธิได้จนถึงอรูปปัจฉันนะได้ไปถึงขนาดนั้นน่ะไกลกว่าพวกดูกายธรรมดาซนะอีกถ้าดูจิตจิตมีราคะรู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคารู้จักราคาไหมทุกคนรู้จักนะก็แค่ว่ามันมีราคาขึ้นมารู้ทันราคาหายไปรู้ทันก็แค่นี้แหละนะจิตมีโทสารู้ทันจิตไม่มีโทสารู้ทันนะการที่เราคยรู้ทัน นะใจไม่วอกแวกไปที่อื่นได้สมาธนะิการที่ราคะเกิดรู้ทันเรียกว่ามีสติราคะหายไปรู้ทันเรียกว่ามีสติใช่ไหมงั้นฝึกเบื้องต้นนะั้นมันจะได้สติขึ้นมาส่วนทำรรมานุปัสนาเว้นไว้ก่อนนะมันยากนะเราฝึกกายเวทนาจิตตรงนี้ไปก่อนแล้วสุดท้ายมันจะเป็นลงที่ทำมานุปัสนามจะควบทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามหมดเลยนะงั้นเบื้องต้นจะดูนี่แหละดูกายไปมีสติะระลึกอยู่ในกายเนืองเนืองมีสติะระลึก อยู่ในเวทนาคือความสุขทุกข์ทางกายทางใจเนืองเนืองมีสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเนืองเนืองจิตมีราคะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอืออกุศลนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่จิตที่ไม่มีราคะนะอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะเป็นวิบากจิตก็ได้จิตที่ตามองเห็นเนี่ยไม่มีราคะในขณะที่เห็นนะ หรือเป็นอกุศลก็ได้จิตกำลังโกรธอยู่ไม่มีราคาไหงั้นถ้าจิตมีราคาให้รู้ทันจิตไม่มีราคาก็รู้ว่ามันไม่มีราคาแต่ตรงที่ไม่มีราคานะอาจจะมีโทสะอาจจะมีโมหะหรือเป็นกุศลก็ได้จิตมีโทสะเป็นอะไรกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลจิตไม่มีโทสะอาจจะเป็นจิตที่มีราคาก็ได้เป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสก็ได้วิบากจิตเนี่ยหมาก็มีนะ อย่างในขณะที่ตามองเห็นรูปเนะี่ยพวกเรารู้สึกไหมครั้งแรกที่ตามองเห็นเนะี่ยใจยังเฉยๆนะแต่ตอมาใจคิดนาะตีค่าว่าโอ๊ยนี่ผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยราคาถึงจะเกิดนี่หมาบ้าวิ่งมาแล้วนะโทสะคือความกลัวถึงจะเกิดเนะี่ยเพราะฉะนั้นขนาดแรกที่เห็นเนะ่ยเป็นวิบากไม่มีดีไม่มีชั่วหรอกนะงนั้นจิตที่ไม่มีโทสะนะอาจจะเป็นจิตมีราคาก็ได้นะเป็นจิตที่เป็นวิบากก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะ จิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะเป็นอะไรอกุศลจิตไม่มีโมหะเป็นอะไรเป็นกุศลถ้าไม่มีโมหะต้องเป็นกุศลนะอออสอนไปสอนมาลง เ, งเรื่องพวกนี้ยุ่งไปหน่อยเนาะงั้นเราคอยรู้ทันไม่ต้องไปตีความหรอกนะกุศลเรื่องอกุศลเท่าเทียมกันหมดเลยด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นจิตมีโทสะก็รู้ทันก็เห็นว่า ตอนนี้มีโทสะนะจิตโทสะหายไปรู้ทันว่าตอนนี้หายไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติแล้วการที่คอยรู้ได้อย่างต ideally, นะ่อเนื่องรู้จิตใจได้ต่อเนื่องก็ได้สมาธิรู้กายอย่างต่อเนื่องก็ได้สมาธิรู้เวทนาตอน่อเนื่องก็ได้สมาธิเพราะงั้นการที่เราหัดเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะมีสติคอยรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาคือสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิจะมากขึ้นมากขึ้นนะ เมื่อจิตมีสติมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยสิ่งนั้นจะมีคุณสมบัติมีลักษณะร่วมกันคือแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยการที่เราเห็นตัวร่วมของปรากฏการของรูปธรรมนามาทำทั้งหลายมีตัวร่วมกันอยู่คือไตรลักษณ์นั่นแหละคือการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงแต่เห็นว่าไม่ใช่ทําไปเพื่อจะเห็นว่าราคะเกิดแล้วก็ดับโทสะเกิดแล้วก็ดับโมหะเกิดแล้วก็ดับ ก, กูศนเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับแต่ทําไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะจะเข้าไปสู่ความรู้รวบยอดตัวความรู้รวบยอดนั่นแหละคือตัวปัญญานมะัจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดทั้งหมดนั้นระดับ จะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นราคาเกิดราคาดับแต่เบื้องต้นก่อนที่ปัญญาจะเกิดถึงขนาดนั้นก็ต้องเห็นทีละตัวก่อนเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะพยายามดูไปเรื่อยนะความสุขเกิดแล้วความสุขก็หายไปเนี่ยค่อยๆดูตามดูให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยนะถ้าดูนา น, านๆชำเลืองแวบหนึ่งแล้วหนีไปที่อื่นเลยเนี่ยจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ง่ายๆหรอกต้องดูมากๆดูต่อเนื่องหน่อยนะร่างกายหายใจออกแล้วก็รู้สึกนะ ร่ Cloud, างกายหายใจเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มสังเกตเห็นให้ร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงนะหายไปแล e. ้วกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าแล้วนะร่างกายหายใจเข้าพักเดียวนะก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะแต่ละอันแต่ละอันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเป็นอันนั้นความสุขความทุกข์ในกายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะ เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วไปเห็นแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมาแล้วไปมาแล้วไปเห็นอย่างนี้แหละนะเรียกว่าเราเจริญปัญญาคือเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตรงที่มันเกิดแล้วมันดับมันมีแล้วมันไม่มีเรียกว่าไม่เที่ยงตรงที่มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเรียกว่าอนัตตาอานิจจังอนัตตาทุกขังคืออะไร สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหลเป็นทุกข์ของที่ไม่เที่ยงนะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเราถ้าเบื้องต้นเราหัดภาวนานะเราเห็นโทสะเกิดและโทสะดับโทสะเกิดและโทสะดับนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังถ้าเราเห็นว่าโทสะที่กําลังปรากฏอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ขังเห็นว่าโทสะมีเหตุก็เกิดโทสะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตา การเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์นะแต่เห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่จําเป็นต้องเห็นสามอย่างเห็นเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วนะเช่นเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับไม่เที่ยงเนี่ยกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่กุศลเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนมีแต่เกิดแล้วก็ดับที่หายใจออกหายใจเข้ามีแต่เกิดแล้วดับนะเห็นแต่อันิดจังอย่างเดียวแค่นี้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะไม่ใช่ทุกคนต้องเห็นอนัตตานะงั้นเราดูเท่าที่ดูได้นะ สติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคอยะระลึกรู้กายรู้ใจของเรารู้รูป ร, ร, รู้นามของเราไปเรื่อยนะสติเราก็จะดีขึ้นต่อไปพอกิเลสเกิดในใจแว บ, บเดียวไม่ทันจะเจตนารู้ก็รู้ได้เองนี่เรียกสติเกิดอัตโนมัติละพอกําลังเผลอๆ อ, อยู่ขยับตัวนิดเดียวนะขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดแล้วรู้ตัวขึ้นมาละไม่หลงละรู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีเลยได้ทั้งสติทั้งสมาธิแนละ้วจากนั้นก็รู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เห็น ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้จิตตั้งมั ства, mm ่นเป็นคนดูอยู่จิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยสติทําหน้าที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตทําให้จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปอยู่ร่วมในปรากฏการแต่ถอนตัวออกจากปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมมาเป็นแค่คนดูมันถึงจะเห็นความจริงของปรากฏการทั้งหลายได้ว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเราอินไปในปรากฏการเรายังไม่เห็นไตรลักษณ์นะ อย่างเราดูหนังแนละ้วใจเราก็เพลินไปกับหนังเนี่ยเราไม่เห็นใจรักหรอกถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราดูนะั้นแค่สีที่ตัดกันเท่านั้นเองสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงนะส่วนว่าเสียงนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยใจมาแปลทีหลังนะเราจะเห็นรูปธรรมเห็นนมามธรรมทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นจริงๆงั้นะเราใจต้องตั้งมั่น หลวงพ่อถึงสรุปย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะวิธีเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิต ท, ที่มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ามีสติรู้กายรู้ใจเฉยๆเป็นขั้นฝึกสติแล้วก็ขั้นฝึกสมาธิต้องรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของ ใ, ใจด้วยถึงจะเป็นขั้นเจริญปาาัญญา งั้นในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติค่อยระ ล, ลึกบ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดคอยรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจเรื่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดเแื่อมาฝึกใจนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจไหลไปรู้ไหลไปรู้เนี่ยใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้นะ แลปัญญามจะเกิดนะ้ําจะเห็นขันทั้งหลายกระจายตัวกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตต่างคนต่างแยกออกไปต่างคนต่างทํางานแล้วไม่มีตัวเรานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ไม่มีตัวเราเนะนี่คยครอฝึกนะถ้าแจ้งอย่างนี้ต่อไปจิตจะสลัดคืนความยึดถือนะจิตหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจนี้จะสลัดคืนกายคืนใจให้โลก เราจะไม่มีความทุกขใ์ใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจทั้งสิ้นเลยถ้าไม่ยึดอยู่ที่กายที่ใจก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์อีกต่อไปธรรมะอย่างนี้นานๆถึงจะได้ฟังทีหนึ่งนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ฟังเลยนะงินพวกเราเนึกถึงพระพุทธเจ้าเนึกถึงคุณของท่านบ่อยๆแค่เนึกถึงพระเจ้าเนึกถึงคุณของท่านบ่อยๆจิตก็เป็นกุศลแล้วนะได้สมาธิได้อะไรขึ้นมาแล้วนะ แล้วมีศรัทธามีอะไรขึ้นมานะถัดจากนั้นก็มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะแล้วถ้าใจเคลื่อนไปก็รู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาเห็นความจริงเห็นความจริงที่จะปล่อยวางปล่อยวางแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะัคืออะไรนะเอาละไปทานข้าวนี่มดเลยครับ